ที่พวกเราจะปฏิบัติตามคำสั่งคาสอนของพระพุทธเจ้าได้อย่างง่ายดายพวกเราต้องมองไปที่ผลที่จะกระทบกับจิตใจของพวกเราถ้าเรามองไปที่ผลที่จะกระทบกับร่างกายของพวกเรากับความอยากความต้องการของพวกเรา เราจะรู้สึกว่าการปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นของที่ยากมากเพราะว่าคําสอนของพระพุทธเจ้านี้แทบจะห้ามไม่ให้เราทําอะไรตามความอยากของเราเลยแทบจะห้ามไม่ให้เราไปให้ความสําคัญกับร่างกายของเรามากจนเกินไปพราพระพุทธเจ้าทรงเห็นว่า ร่างกายของเรานี้มันไม่มีความสำคัญอะไรมากนะครับและความอยากของพวกเรามันก็เป็นพิษเป็นภัยต่อจิตใจของพวกเราเป็นพิษเป็นภัยต่อจิตใจของพวกเราพองค์ทรงให้ความสำคัญต่อจิตใจของพวกเรามากเพราะว่าจิตใจของพวกเรานี้ไม่ได้จบตรงที่การตายของร่างกาย จิตใจของพวกเรานี้ต้องไปต่อและต้องไปรับผลที่เกิดจากการกระทาของพวกเราในขณะที่มีชีวิตอยู่ถ้าเราขณะที่มีชีวิตอยู่ทำแต่สิ่งที่มีผลกระทบที่ดีต่อจิตใจจิตใจเราก็จะมีแต่ความสุขความเจริญ หลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วณขณะที่ร่างกายอยู่ก็มีความสุขความเจริญเช่นเดียวกันถ้าเราทำในสิ่งที่เป็นผลที่ไม่ดีต่อจิตใจทำจิตใจของเราก็จะมีแต่ความทุกข์ความเสื่อมเสียต่างๆนี่คือ คำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าพุ่งเป้าไปที่จิตใจเป็นหลักร่างกายนี้ก็ให้ดูแลตามอัตภาพก็พอให้มีปัจจัยสี่ให้อยู่ได้ไม่อดอยากขาดแคลนไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่จาเป็นที่จะต้องไปหาของฟุ่มเฟือย ของหรูราอะไรต่างๆมาให้กับร่างกายมันไม่มีผลอะไรดีต่อจิตใจกับจะทำให้มีผลเสียกับจิตใจถ้าเราไปหลงไหลกับร่างกายเราจะเลยว่าร่างกายไม่ช้าก็เร็วก็ต้องแก่ ต้องเจ็บต้องตายพอร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายใจเราก็จะไม่สบายขึ้นมาเพราะเราหวงร่างกายรักร่างกายอยากให้ร่างกายของเรานี้สวยงามน่าดูน่าชมไม่แก่ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ตายไป เอแต่ถ้าเราเพียงแต่ดูแลมันพอให้มันอยู่ได้ดูแลมันให้รู้ว่าดูแลมันวิเศษวิโสขนาดไห น, ไ ม, นไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องแก่ความสวยความงามต่างๆของร่างกายมันก็จะต้องหายไปหมดแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วย แน่ในที่สุดมันก็ต้องตายไปเราจรึงไม่ควรที่จะไปหลงไหลไปรักร่างกายมากจนเกินไปอย่าไปคิดว่ามันเป็นตัวเราของเราความจริงมันไม่ใช่เหล่านี่แหละคือใจผู้รู้ผู้คิดผู้ที่มาครอบครองร่างกายตอนที่มีการประสมพันกัน การตอนที่มีการก่อร่างสร้างตัวของร่างกายนี้ขึ้นมาในท้องแม่พอมีร่างกายเริ่มก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาเราคือจิตใจผู้รู้ผู้คิดที่ตอนนั้นเรียกว่าดวงวิญญาณตอนนั้นไม่มีร่างกายจิตใจก็เรียกว่าดวงวิญญาณพอจิตใจมากะติดกับร่างกาย ก็เรียกว่าจิตใจจิตใจมาก่ติดกันเหมือนอเป็นแฝดสยามมาก่ติดกับร่างกายด้วยกระแสของจิตใจที่เรียกว่าวิญญาณาวิญญาณมีอยู่ห้าเส้นห้าสายวิญญาณทางตาวิญญาณทางหูวิญญาณทางจมูกทางลิ้นทางร่างกาย ใจิตใจต้องมีวิญญาณมาเกาะถึงจะรับรู้ข้อมูลต่างๆที่จะเข้ามาทางร่างกายได้เพราะมีวิญญาณที่มาเกาะที่ตาพอตาเห็นรูปรูปก็จะวิ่งเข้าไปที่ใจต่อพอรูปมาเข้าที่ตาปั๊บวิญญาณก็จะรับรูปไปให้ใจใจให้รู้ว่ารูปนี้คือรูปอะไร พอรู้ว่าเป็นรูปอะไรใจก็เกิดความอยากขึ้นมาอยากได้หรืออยากไม่ได้ขึ้นมาถ้าชอบก็อยากได้ถ้าไม่ชอบก็ไม่อยากได้นี่คือใจกับร่างกายร่างกายนี้เป็นเหมือนกับคนรับใช้ของใจใจใช้ร่างกายไปหาสิ่งต่างๆมาให้กับใจ พอใจต้องการความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีในโลกนี้ต้องการรูปเสียงกลิ่นรสเพราะว่าเวลาใจได้เสสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสที่ถูก อ, อกถูกใจก็เกิดความสุขขึ้นมาใจก็เลยไปหลงรักร่างกายเพราะถ้าไม่มีร่างกายใจก็จะไม่สามารถไปหาความสุข จากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ได้ผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายใจจึงรักร่างกายมากหวงร่างกายมากเพราะถ้าไม่มีร่างกายใจก็จะไม่สามารถหาความสุขได้ใจก็เลยมัวเมาหลงไหลกับยเปการดูแลร่างกายเลี้ยงร่างกายให้แข็งแรง สมัยนี้บ้าออกกาลังกายกันไหมสมัยก่อนเป็นชาวนาชาวไร่ไม่ต้องออกไปวิ่งให้เสียเวลาทําไร่ไถนาแต่ละวันก็เหนื่อยพอละถึงเวลาก็อยากจะนอนละสมัยนี้ทํางานสบายมีแต่ใช้นิ้วจิ้ ม, น, น, มนู่นจิม้มนี่ร่างกายเลยไม่ได้ออกกําลังก็เลยอ่อนแอก็เลยต้องบ้าวิ่งกันฮะ บางสังคมที่จเจริญที่เขาไม่ได้ออกกําลังกายเวลาทํางานเขายัางวิ่งทํางานก็มีอย่างนี้ก็มีให้ทํางานบนสายพานนะวิ่งทํางานบนสายพานจะได้ออกกําลังกายไปพร้อมๆกับทํางานเนี่ยมันจเจริญแบบถอยหลังก็เนียนะมันก็กลับไปเหมือนชาวนาชาวไร่เนี่ยแหละชาวนาชาวไร่ก็ทํางานออกกําลังกายไปพร้อมๆกัน สมัยปัจจุบันนี้มันก็กลับไปทำงานแล้วก็ออกกำลังกายไปพร้อมๆเหมือนกันแต่ต้องเสียเงินมากต้องไปซื้อเครื่องสายพานมาวิ่งแล้วก็ยืนทำงานวิ่งไปบนสายพานแล้วก็จิ้มเครื่องคอมเขียนในนู่นเขียนในนี่ไปมันก็เหมือนกับเป็นชาวนาชาวไร่ดีๆนี่เองชาวนาชาวไร่ไม่ต้องเสียเงินไปซื้อเครื่องวิ่งมาวิ่งไม่ต้อง น, นี่ความเจริญของเรามองไปมองมามันก็เหมือนกับไม่เจริญอ่ะมันก็เหมือนกับไปสมัยที่เป็นชาวนาชาวไร่ดีๆนี่เองต้องออกกำลังกายสมัยนี้เราทำงานสบายเราคิดว่าเราจเจริญแต่พอทำงานสบายนั่งเฉยๆ เ, เดี๋ยวก็ปวดตรงนั้นเมือ่อยตรงนี้ในที่สุดก็ต้องออกไปวิ่งเอ ออกไปวิ่งไปออกกำลังกายให้เหงือแตกพลักขึ้นมานั้นทาไปทามามันก็ไม่ได้เจริญมันก็เหมือนเดิมเรื่องทางร่างกายนี้มันไม่มีทางที่จะเจริญมันก็มีแค่นี้แหละมันก็มีเกิดแล้วเดี๋ยวก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปไม่ว่าเราจะเลี้ยงดูมันวิเศษวิโสขนาดไหนก็ตาม มันก็ได้เท่านี้แหละไม่ได้วิเศษไปกว่าเช้ า, าคนในยุคสมัยโบราณที่ไม่มีเครื่องใช้ไม้สอยอะไระต่างๆแบบที่เรามีกันเรามีเครื่องใช้ไม้สอยมากมายกาย ก, ายกองเพียงไรมันก็ไม่ได้มาเปลี่ยนแปลงความจริงของร่างกายร่างกายมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปอยู่ดี เพะพระพุทธเจ้าทรงเห็นว่าไม่มีความร่างกายนี้ไม่มีความสําคัญมากที่สําคัญก็เพราะเราไปหลงไปอาศัยมันเป็นเครื่องมือหาความสุขเท่านั้นแต่พระพุทธเจ้าทรงเห็นว่ามันเป็นเครื่องมือชั่วคราวและเวลาที่เราไม่สามารถพึ่งมันได้เวลานั้นเราจะเดือดร้อน เวลาที่ร่างกายเราแก่ร่างกายเราเจ็บไข้ได้ป่วยเราจะไปหาความสุขเหมือนตอนที่ร่างกายแข็งแรงไม่ได้แล้วตอนนั้นอะชีวิตก็จะมีแต่ความทุกข์ทรมานใจเป็นส่วนใหญ่บางคนก็เป็นโรคซึมเศร้าจะทำอะไรก็ทำไม่ได้อยากได้อะไรก็ไม่สามารถไปหามาตามความอยากได้ ใจก็เลยมีแต่ความทุกข์มีแต่ความเศร้ามีแต่ความเหงาความว้าเหวเพราะคนที่เขาแข็งแรงไปไหนมาไหนได้เขาก็ไปของเขาเขาไม่มานั่งเฝ้าอยู่กับเราที่บ้านเพราะทุกคนก็อยากจะหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆกันก็เลยต้องออกไปนอกบ้านกันปล่อยให้คนที่หมดสมรรถภาพอยู่ไปตามลาพัง อย่างมากก็มาคอยให้น้ำให้ข้าวไปเท่านั้นเองพอให้ข้าวให้น้ำเสร็จเขาก็ไปของเขาแะเขาไม่สามารถพาเราไปหาความสุขกับเขาได้ไปก็ลำบากลำบนต้องหารถเข็นมานั่งจะขึ้นรถขึ้นลาก็ต้องมีรถพิเศษที่มี ขึ้นรถได้ง่ายมันก่อจะยกรถยกคนขึ้นรถแต่ละครั้งนี่โอ้โหมันทุรังทุเล่นี่แหละคือเรื่องของร่างกายของพวกเราที่เราไปหลงหลายข้างใครมันเกิดจากความโง่ของพวกเราที่เราไม่รู้ว่ามีวิธีหาความสุขอีกวิธีหนึ่งที่ไม่ต้องมาวุ่นวายกับร่างกาย วิธ <c oughs> ีหาความสุขแบบนี้นานๆจะมีคนฉลาสมาค้นพบแล้วมาสั่งมาสอนพวกเรากันก็คือพระพุทธเจ้านี่พระพุทธเจ้าก็เคยใช้ร่างกายอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขแต่วันหนึ่งไปออกไปเที่ยวนอกวังไปเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายถึงหูตาสว่างขึ้นมาว่า ร่างกายของพระองค์ ก, ก็จะต้องเป็นอย่างนั้นต่อไปร่างกายของพระองค์ที่ตอนนี้แข็งแรงมีกำลังวังชาสามารถหาความสุขจากสิ่งต่างๆได้อย่างง่ายดายแต่ต่อไปจะทำไม่ได้จะทำได้ยากขึ้นไปเรื่อยๆร่างกายมันก็จะแก่ลงไปเรื่อยๆกำลังวังชาก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆ โครคภัยไข้เจ็บก็จะมีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆพอเห็นว่าอนาคตนี้ไม่น่าไม่น่าปรารถนาเลยก็เลยมีความเศร้าใจแต่พอดีไปเห็นนักบวชเขา้าก็เลยได้ทราบว่านักบวชเป็นพวกที่เขาจะเปลี่ยนวิธีหาความสุขจากการหาความสุขทางร่างกายไปหาความสุข จากการไปฝึกจิตใจทําจิตใจให้สงบถ้าทาให้จิตใจสงบแล้วก็ไม่ต้องอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขพอไม่ต้องพึ่งร่างกายร่างกายเป็นอะไรก็จะไม่มีปัญหาร่างกายแก่ก็ยังมีความสุขได้เหมือนตอนที่เป็นหนุ่มเป็นสาว ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็ยังมีความสุขได้เหมือนกับตอนที่ไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยร่างกายตายไปก็ยังมีความสุขได้เพราะใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายถ้าลองรู้จักวิธีหาความสุขให้กับใจได้แล้วใจก็จะเป็นอิสระจะไม่ต้องมาผูกติดมาเกี่ยวข้องกับร่างกาย แล้วก็จะทำให้ไม่ต้องกลับมามีร่างกายมาเปลี่ยนร่างกายอยู่เรื่อยๆเหมือนกับที่พวกเรากำลังทำกันอยู่ในขณะนี้ต่อไปร่างกายของพวกเราก็จะตายไปพอตายไปจิตใจที่มาเกาะติดกับร่างกายก็ไปหาร่างกายอันใหม่ไปรอพ่อแม่คนใหม่ไปดูว่าใครแต่งงานกันพอแต่งงานกันแล้วเดี๋ยวเขาก็ร่วมหลับนอนกัน เดี๋ยวเขาก็ไม่กี่เดือนเขาก็จะมีลูกออกมาใจก็ไปรอรับร่างกายอันใหม่แต่ก่อนที่จะไปรับร่างกายอันใหม่นี้ก็ต้องไปรับผลที่เกิดจากการกระทาตอนที่มียตทต่มีชีวิตอยู่กับร่างกายอันเก่าถ้าไปทาบาปมันก็มีผลเสียต่อจิตใจ ถ้าทำบุญมันก็มีผลดีต่อจิตใจผลบาปจะทำให้จิตใจทุกข์จิตใจเศร้าจิตใจไม่สบายบุญจะทำให้จิตใจมีความสุขเวลาที่จิตใจไม่มีร่างกายเราก็เรียกว่าดวงวิญญาณดวงวิญญาณก็ถ้ามีบาปติดตัวบาปก็จะทำให้จิตใจทุกข์จิตใจไม่สบาย ถ้าบุญมีติดอยู่กับใจก็จะทำให้ใจมีความสุขมีความสบายจิตใจที่มีความสุขเราก็เรียกว่าเทวดาชั้นต่างๆสุขมากสุขน้อยไม่เท่ากันเพราะทำบุญมากน้อยไม่เท่ากันส่วนจิตใจที่มีบาปติดตัวไปมาก ก็ Landes, ยยย tamam. จะเป็นดวง oo, วิญญาณที่มีความทุกข์มีความไม่สบายใจมากก็มีหลายชนิดด้วยกันดวงวิญญาณที่มีความทุกข์ด้วยความโลภก็เรียกว่าเปรตดวงวิญญาณที่มีความทุกข์ด้วยความกลัวก็เรียกว่าสุรกายดวงวิญญาณที่มีความทุกข์ด้วยความอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมนั่งแค้นกันก็จะเป็นนรกน ดวงวิญญาณบางชนิดก็ไปได้ร่างกายก็ของสัตว์เดลฉานไปเป็นสัตว์เดลฉานชนิดต่างๆนี่คือผลกระทบที่จะตามมาต่อจิตใจของพวกเราทุกคนที่ไม่มีวันตายที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายไม่ได้สูญไปกับร่างกายความตายจึงไม่ใช่เป็นตายแล้วสูญตายแล้วไปรับผลบุญผลบาปต่อ ผู้ที่ไปรับผลบุญผลบาปไม่ใช่ร่างกายแต่เป็นจิตใจผู้ที่จะไปเป็นผู้รับผลบุญผลบาปต่อไปถ้าทําตามที่พระเจ้าสอนคือให้ทําบุญอย่าทําบาปก็จะมีแต่ผลดีต่อจิตใจจะมีแต่ความสุขมีแต่บุญที่ผลิตความสุขทําให้จิตใจมีความสุ ข, ม, ม, สขมีความสบาย ถ้าไม่ทำบาปความทุกข์ต่างๆก็จะไม่มีภายในจิตใจถ้าเรามองอย่างนี้แล้วเราก็จะเห็นว่าการทำตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้านี้มันง่ายเหลือเกินมันดีเหลือเกินใช่ไหมไม่ทำบาปแล้วไม่มีความทุกข์ใจไม่ต้องไปเป็นเปรตไม่ต้องไปเป็นนอสสุลกายไม่ต้องไปนากนี้ดีไอม เราต้องมองที่จิตใจแล้วจะทำให้การทำตามคำสั่งคำสอนของพระเจ้านี้ง่ายดายและเห็นคุณค่าว่าโอ้ยถ้าไม่มีพระเจ้ามาสั่งมาสอนนี้พวกเรานี้จะหลงงมงายกับการดูแลเลี้ยงดูร่างกายสนับสนุนร่างกายเสริมสวยความงามความอะไรต่างๆของร่างกาย ส่งเสริมความอยากทำอะไรตามความอยากต่างๆกันโดยที่ไม่กลัวบาป ก, กลัวอะไรเพราะเห็นว่าตายไปร่างกายตายไปแล้วใครจะไปรับผลบุญผลบาปไม่เห็นตัวจิตใจผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆใจนี่แหละเป็นผู้สั่งผู้ทำเพียงแต่ว่าต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือร่างกายเป็นเหมือนหุ่นยนต์ หุ่นยนต์มันไม่รู้เรื่องหรอกมันทําอะไรมันเพียงแต่รับคําสั่งเราสั่งให้มันทําอะไรมันก็ทําให้เราแต่คนที่สั่งนั่นแหละเป็นคนทําและคนรับผลต่อไปแต่ปัญหาคือคนสั่งคนที่รับผลนี้ไม่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนร่างกายเรามองไม่เห็นเพราะเป็นเหมือนมนุษย์ล่องหน มีอยู่แต่มองไม่เห็นใครปฏิเสธได้ไหมว่าในตัวเราไม่มีความรู้ความคิดกันเรามีความรู้กันถ้าไม่รู้ตอนนี้นั่งฟังไม่รู้เรื่องถ้ามีแต่ร่างกายไม่มีใจนี่ก็เหมือนซากศพเนี่ยร่างกายที่ไม่มีใจก็คือซากศพไปคุยกับศพดูสิมันคุยกับเราได้ปะมันไม่รู้ไม่รู้ว่าเรากําลังพูดอะไรกับมันแต่ตอนนี้รู้ใช่ไหม เราพูดทุกคาพูดได้รู้หมดเลยเนี่ยผู้รู้นี้ไม่ใช่ร่างกายนะเข้าใจไหมผู้รู้นี้คือใจที่มาเกาะติดกับร่างกายด้วยกระแสะวิญญาณ น, นี่กระแสะวิญญาณทางหูนี่เกาะติดพอเสียงมาเข้าที่หูเสียงมันก็ส่งไปที่ใจอีกทีหนึ่งใจไม่ได้อยู่ในร่างกายใจอยู่อีกที่หนึ่งเราเรียกว่าโลกทิพย์ กระแสวิญญาณเป็นตัวเชื่อมต่อโลกทิพย์กับโลกนี้โลกนี้เรียกว่าโลกกธาตุคือโลกของธาตุสี่ดินน้ำลมไฟทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ทำขึ้นมาด้วยดินน้ำลมไฟร่างกายของเรานี้ประกอบขึ้นมาด้วยดินด้วยน้ำด้วยลมด้วยไฟแต่เป็นดินที่มันละเอียดจนกระทั่งเรามองไม่รู้ว่ามันเป็นดิน มันมาจากดินอ่ะข้าวมาจากไหนผักมาจากไหนผักมันก็จะมาจากดินนะำผักก็ต้องมาจากดินผสมกับน้ำผสมกับลมผสมกับไฟมันก็เลยทำให้เกิดผักขึ้นมาเกิดต้นข้าวขึ้นมาเกิดเมล็ดข้าวขึ้นมาพอเร า, มาเมล็ดข้าวมาหุงมาต้มแล้วเราก็กินเข้าไปในร่างกาย ท่าก็เท่ากับเอาธาตุดินเข้าไปในร่างกายน้ำเราก็ดื่มเข้ามาลมเราก็หายใจเข้าออกไฟเราก็ได้จากแสงอาทิตย์มาพอมันมีดินน้ำลมไฟมาผสมกันมันเลยทำให้เกิดสิ่งต่างๆขึ้นมาในร่างกายของเรามันก็ทำให้เกิดผมเกิดขนเกิดเล็บเกิดฟันเกิดหนังเกิดเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูก ม้ามหัวใจตับผังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเยื่อในสมองศีรษะน้ำก็มีหลายอย่างน้ำดีน้ำเสลดน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเงือ่น้ำมันข้นน้ำมันเหลวน้ำลายน้ำตาน้ำมูดน้ำคูดเนี่ยนั่นคือสิ่งที่ทำมาด้วยดินน้ำนมไฟ มารวมกันเป็นอาการสามสิบสองของร่างกายแล้วเราก็ไปเรียกว่าเป็นหญิงเป็นชายเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นสามีเป็นภรรยาเป็นบุตรเป็นทิดาอันนี้เราไปแปะเอาป้ายไปแปะไว้เฉยๆเหมือนเวลาเราไปประชุมเขาจะเอาป้ายมาแปะที่หน้าอกเราเขาจะได้รู้ว่าเราชื่ออะไรเดี๋ยวเจอหน้าแล้วคุยกันไม่รู้เรื่อง แต่พอมีชื่อย้ายจำได้่าออกได้คุยกับคนนั้นคนนี้มีชื่อนั้นชื่อนี้ถ้าไม่เช่นนั้นจำไม่ได้เพราะเจอหลายคนด้วยกันื่อเจอแบบปั๊บเดียวเลยต้องเอาชื่อมาแปะไว้อันนี้ก็เหมือนกันร่างกายนี้เหมือนกันหมดทุกคนเป็นาการสามสิบสองเหมือนกันทำมาจากดินน้ำลมไฟเหมือนกันนี่เราต้องมาแยกแยกว่าเป็นใครก็เลยมาเอาป้ายมาแปะ คนที่ให้กำเนิดเราก็เรียกว่าพ่อแม่คนที่เราให้กำเนิดเขาเราก็เรียกว่าลูกคนที่มาเป็นแฟนเราเราก็เรียกว่าสามีภรรยาคนที่ไม่ได้เป็นอะไรกับเราเราก็เรียกว่าเพื่อนคนรู้จักแต่รวมกันทั้งหมดมันก็อาการสามสิบสองทั้งนั้นตามมาจากดินน้ำลมไฟทั้งนั้นเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันทั้งนั้น คือสลบไม่มีใครในร่างกายอันนี้เราไปแปะมันเองเราไปแปะป้ายว่าเป็นพ่อเป็นแม่ความจริงมันเป็นเพียงอาการสามสิบสองที่ทำมาจากดินน้ำลมไฟที่เดี๋ยวก็ต้องแยกตัวกันไปเวลาร่างกายมันหยุดหายใจก็แสดงว่าลมมันไม่ยอมมาร่วมสามัคคีแล้วเมื่อขาดลมดินน้ำลบดินน้ำไฟสามอย่างก็อยู่ด้วยกันไม่ได้ พอลมไม่เข้ามาร่วมสามัคคีเดี๋ยวน้ำก็ขอไปด้วยแนละ้วพอคนตายนี่ไม่หายใจแนละ้วทิ้งไว้สักพักน้ำจะไหลออกมาตามทวารต่างๆนะแล้วไฟก็ไปก่อนนะพอลมไม่ไม่เข้าปั๊บไฟก็ตามไปตายไม่กี่ชัว่วโมงลองไปจับร่างกายดูสิเยนนะ็นไะร่างกายคนป่วยกับร่างกายคนตายลองไปแตะดูสิไม่เหมือนกัน เพราะว่าธาตุไฟออกไปจากร่างกายแลตามด้วยน้ําเดี๋ยวในที่สุดก็เหลือแต่ส่วนที่เป็นดินแห้งกรอบไปผุไปพังไปกลายเป็นดินไป น, นี่คือร่างกายที่อยู่ในโลกธาตุเราเรียกนี้โลกโลกธาตุส่วนจิตใจนี้ไม่ได้อยู่ในโลกนี้อยู่ในโลกทิพย์จิตใจทุกดวงนี้อยู่ในโลกทิพย์ เพียงแต่ส่งกระแสวิญญาณมาเกาะติดที่ร่างกายห้าสายด้วยกันเรียกว่าวิญญาณในขันในขันห้าเนี่ยตาหูจมูกดิ้นกายมีอยู่ห้าเส้นวิญญาณทางตามาไว้รับรูปวิญญาณทางหูไว้รับเสียงวิญญาณทางจมูกไว้รับกลิ่นวิญญาณทาง ลินไว้รับรสวิญญาณที่ติดทั่วสพางร่างกายเพื่อจะได้รับสิ่งที่มากระทบมาสัมผัสกับร่างกายเช่นตอนนี้อากาศเย็นไหมอันนี้ก็เป็นวิญญาณทางร่างกายรับรู้ว่าตอนนี้มีอะไรมากระทบกับร่างกายภาพที่เห็นก็เป็นมาทางตาจิตใจรับรู้เรื่องราวเหล่านี้ได้ผ่าน ดวงวิญญาณกระแสไม่ใช่วิไม่ใช่ดวงวิญญาณเรียกว่ากระแสวิญญาณห้าเส้นด้วยกันแล้วจิตก็พอรับรู้แล้วถ้าชอบก็สั่งให้นางกายไปรักษาไปหามาเก็บเอาไว้ถ้าไม่ชอบก็ให้ไปกาจัดมันถ้าเห็นกองขยะก็ให้กํำจัดมันถ้าเห็นกองเงินกองทองก็ให้รีบ ปอยเข้ามาไปเก็บไว้ในที่ปลอดภัยนี่คือเรื่องของจิตใจกับร่างกายปัญหาคือพวกเรามองไม่เห็นจิตใจกันเราเลยไม่รู้จักจิตใจถ้าไม่มีศาสนามาสอนพวกเราก็จะคิดว่าเรามีเพียงร่างกายอย่างพวกนักวิทยาศาสตร์ที่เขาไม่ไม่นับถือศาสนานี่เขาไม่เชื่อเรื่องจิตใจเรื่องดวงวิญญาณ เขาคิดว่าร่างกายนี้มีผู้รู้ผู้คิดอยู่ในร่างกายอันนี้เขาจะว่าอยู่ที่สมองกันผู้รู้ผู้คิดมาจากสมองอพอร่างกายตายไปพอสมองหยุดทำงานก็ถือว่าจบไปแล้วใครละ่ะจะไปรับผลบุญผ ล, ผ ล, ผลบาปนารกอยู่ที่ไหนสวรรค์อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ พอส่งจรวจขึ้นไปบนท้องฟ้าก็ไม่เจอสวรรค์เอส่งเรือดำน้ําลงไปใต้น้ําก็ไม่เจอนรกะเจาะเข้าไปในดินก็เจอแต่น้ํามันก็เลยไม่เชื่อนรกไม่เชื่อเรื่องสวรรค์กันไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปกันก็เลยทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับร่างกายเพราะเชื่อร่างกายเพราะเห็นร่างกายเห็นว่าร่างกายนี้มีคุณประโยชน์มาก เพราะถ้าขาดร่างกายแล้วจะหาความสุขไม่ได้หรือถ้าร่างกายาบกพร่องอไม่สมบูรณ์พิกลพิการก็จะไม่สามารถหาความสุขต่างๆได้ชีวิตของพวกคนที่ไม่รู้ไม่มีศาสนาไม่รู้จักเรื่องจิตใจนี่จะทุ่มเทให้กับร่างกายเพียงอย่างเดียวแล้วก็ทุ่มเทให้ กับความอยากความต้องการต่างๆเพราะเวลาอยากได้อะไรพอได้มาแล้วมันมีความสุขใจนั้นเองเวลาอยากแล้วไม่ได้จะมีความรู้สึกเสียใจจะรู้สึกหงุดหงิดน้ำขานใจชีวิตก็เลยเขาก็เลยทุ่มเทชีวิตให้กับการหากินหาอยู่ให้กับร่างกาย ล้าก็ไม่ใช่กินอยู่แบบธรรมดาต้องกินอยู่แบบรู้หลาเห็นไกินอยู่แบบพิสดารกันยิ่งมีเงินมากยิ่งพิสดารใหญ่ให้เรื่องการกินการอยู่แต่มันก็ทำได้แค่ช่วงที่ร่างกายมันแข็งแรงเดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วมันก็แก่ลงไปมันก็ทำอะไรไม่ได้แล้วตอนนั้นชีวิตที่เคยรุ่งเรืองคอย มีความสุขก็กลายเป็นชีวิตที่เศร้าที่เหงาที่ว้าวเวแล้วก็ตายไปตายไปก็คิดว่าจบแต่มันไม่จบเพราะว่าผู้ที่ทำให้ใช้ร่างกายนี้ให้ทำอะไรต่างๆผู้ที่หาความสุขผ่านทางร่างกายนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกาย เป็นผู้ที่จะไปรับผลของบุญของบาปที่ทำไว้ต่อไปยิ่งถ้าพยายามหาความสุขให้กับร่างกายหาข้าวของหาสิ่งต่างๆให้กับความอยากมันก็จะไม่มีเวลามาทาบุญกันมีเงินเท่าไหร่ก็อยากจะไปใช้กับสิ่งที่อยากได้อยากมีหรือใช้กับร่างกาย คอยเลี้ยงดูร่างกายคอยเสริมสวยความงามต่างๆเห็นไ้มชอบแต่งตัวกันนะั้ยทั้งหญิงทั้งชายนี่โหยถ้ามีเงินนี่เสื้อผ้าเต็มโต๊ะกันทุกคนเนสะื้อผ้าราคาแพงๆหรูๆ ห, หลาๆไม่เคยคิดจะว่าจะเอาไปทำบุญกันนะคิดแต่ว่าจะมาเสริมความงามของร่างกายเพราะเวลาร่างกายงามมันดึงดูดร่างกายของคนอื่น ทำให้คนอื่นเขามาลักมาชอบเราถ้าเราใส่เสื้อผ้าขาดกานี้ไม่มีใครก็อยากจะมาชอบเราต้องใส่เสื้อผ้าใหม่ต้องใส่เสื้อผ้าราคาแพงๆ แ, แล้วก็จะทำให้คนคี่ว่าเสียงตุ๊กแกวันก่อนมีตุ๊กแกตุ๊กแกมีหนี่ยงงงงมันจะมากัด กินตับมันก็เลยร้องวันนี้คิดว่ามาอีกล้วอันนี้เป็นหนูน้อยนี่คือปัญหาของคนหรือความโง่ของคนที่ไม่เชื่อศาสนาคิดว่าศาสนาเป็นเป็นเรื่องงมงายสอนเรื่องที่เขาไม่สามารถพิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตร์ะเขาก็เลยถือว่าไม่ใช่เป็นความจริง สิ่งใดที่พิสูจน์ไม่ได้ก็ถือว่าไม่เป็นความจริงเป็นเชื่อความเชื่อความงมงายเขาก็เลยไม่สนใจกับเรื่องการทําบุญแล้วเขาก็ไม่กลัวเรื่องของการทําบาปเห็น ไ, ไหมเขาวิจัยอะไรเขาจะเอาสัตว์มาวิจัยมาเป็นหนูตะเภามาผ่ามามาทําอะไรเขาก็ทํา เขาไม่ถือว่าบาปเขาไม่กลัวบาปก็ถือว่าเป็นการศึกษาหาความรู้เพ kind of ื่อที่จะมาเสริมให้ชีวิตของเขาอยู่ดีกินดีขึ้นไปเรื่อยๆเขาอยากจะเข้าว้างน้ำมังหนูปวดท้องเฉียบ่ยคนเราถ้าไปมองที่ร่างกายไปมองที่ความอยาก ก็จะทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามคาสอนของพระพุทธเจ้าได้พระพุทธเจ้าสอนห้ามทำบาปไม่ว่าจะด้วยเหตุผลกลไกใดแม้แต่ทำแท้งนี่ก็ไม่ให้ทำถึง แ, แม้ว่าจะมีผลกระทบต่อผู้ที่เป็นแม่ต่อไปเช่นพระแม่อาจจะไม่มีกำลังที่จะไปเลี้ยงดูลูกก็ได้ มีลูกแล้วไม่ตัวเองยังไม่มีปัญญาเลี้ยงตนเองแล้วต้องมามีลูกมันต้องมาเลี้ยงอีกก็เหมือนถูกตัดอนาคตไปก็ไม่ต้องการให้อนาคตของแม่ลำบากก็เลยทำแท้งดีกว่าอันนี้ก็ทำไม่ได้เพราะทำบาปแล้วถึงแม้อนาคตอาจจะไม่ดีเท่าที่ควรแต่มันยังก็ยังดีกว่าทำแท้งเพราะ อนาคตที่ยาวคือเวลาที่ตายไปเนี่ยมันจะต้องไปรับผลบาปที่ทําไว้ต่อไปถ้าไม่ทําบาปก็จะไม่มีผลบาปที่จะต้องไปรับผลต่อไปนีน ย, ยอมรับกับความอา่ทุกข์ยากลําบากในขณะที่มีชีวิตอยู่ดีกว่าทนกับมันไปเดี๋ยวมันก็ตายไปะถ้าไม่ได้ทําบาปมันก็จะได้มีไม่มีผลบาปติดตัวไปด้วยะถ้าทําบาป แต่ขณะมีชีวิตอยู่มีความสุขก็ตามแต่เดี๋ยวเวลาตายไปบาปที่ทำไว้มันก็จะเป็นตัวจะส่งให้เราไปอยู่แบบทุกข์ยากลำบากต่อไปและจะทุกข์ยากลำบากยาวนานกว่าขณะที่มีชีวิตอยู่นี่คือถ้าเรามองไปที่จิตใจแล้วมันจะทำให้เรานี้ไม่กล้าทาบาปกัน บาป ก, ก็คือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปดไม่ดื่มสุรายาเมาและอบายามุขต่างๆเช่นการเที่ยวไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนก็ตามเล่นการพนันการกระทำเหล่านี้จะเป็นเหตุให้เราไปทำบาป ก, กันง่ายเพราะว่าอบายามุขนี้มีแต่รายจ่ายไม่มีรายรับมีแต่จ่าย จ่ายไปเรื่อยๆเดี๋ยวเงินก็หมดเงินหมดไม่ทำงานก็ต้องไปลักไปขโมยไปช่อโกงไปโกหกหกลอกลวง mm hmm. เพื่อที่จะได้เอาเงินมาเที่ยวมาเล่นมากินต่อ mm hmm. แล้วเดี๋ยวก็ต้องมันก็จะทำให้ทำบาปมากขึ้นไปเรื่อยๆ mm hmm. แล้วดีไม่ดีก็อาจจะถูกจับไปติดคุกติดตาราง mm hmm. อันนี้เป็นผลส่วนย่อย การไปติดครกติดตารางผลส่วนใหญ่คือที่จิตใจมันไม่หมดไปกับการไปติดคุกติดตารางมันจะต้องไปเป็นดวงวิญญาณชนิดที่ไม่ดีเป็นเปนเป็ น, ปนอสูรลกายนนรกหรือถ้าไปได้ร่างกายก็ได้ร่างกายของเดรัจฉานอันนี้ถ้าได้ได้ศึกษาได้ฟังคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว มีความเชื่อตามที่พระเจ้าสอนมันก็จะทำให้การทำตามคำสอนนี่ง่ายเนี่ยไม่ยากเพราะเรารู้นี่ว่าทำแล้วเราจะได้อะไรทำบาปแล้วเราจะต้องได้ผลไม่ดีเแต่ว่าเราไม่รู้กันว่ามันผลไม่ดีนี้เป็นยังไงนรกเป็นยังไงสวรรค์เป็นยังไงนี่เราไม่รู้กัน นานๆจะได้เจอคนที่สามารถที่จะมาธิบายให้เราเห็นภาพว่านรกเป็นยังไงสวรรค์เป็นยังไงเราถึงจะ เ, เชื่อไม่งั้นเราก็เชื่อแบบไม่มั่นใจเ อ, อ๊มีจริงหรือเปล่าสนกมีจริงหรือเปล่าสวรรค์มีจริงหรือเปล่าจิตใจไม่ได้อยู่กับร่างกายหรือจิตใจเป็นคนส่วนกับร่างกายหรือเปล่า น, นี้ถ้าไป พบกับคนที่เขารู้จริงๆเขาจะยืนยันยืนยันนอนยันว่าจิตใจมีจริงโดนวิญญาณมีจริงผลกระทบต่อจิตใจคือการทำบุญทำบาปนี้มีจริงต่อจิตใจถ้าอยากจะรู้ตัวอย่างของผลกระทำบุญหรือทำบาปเป็นอย่างไรก็ดูตอนที่เรานอนหลับน่แหละตอนที่นอนหลับนี้เราก็เหมือนตายชั่วคราวใช่ไหมตอนที่นอนหลับนี้ร่างกายไม่ทาอะไรใช่ ตอนนั้นใจก็เป็นผู้ไปรับผลบุญผลบาปเป็นหนังตัวอย่างผลของบุญผลบาปคืออะไรก็คือเวลาฝันนี่แหละฝันดีก็เรียกว่าผลของบุญนะฝันไม่ดีนี่ก็เป็นผลของบาปเนะี่ยเวลานอนแล้วฝันร้ายเนี่ยแสดงว่าทำบาปมามันถึงไปคิดถึงเรื่องร้ายแรงต่างๆเพราะาตอนที่ไปทำบาปก็ไปทำแต่เรื่องเด่ร้รายต่างๆ พอเวลาตายไปมันถูกบันทึกเวลานอนหลับมันก็ออกมาโผล่ขึ้นมาเพราะสิ่งที่เราทําไว้ทุกอย่างนี้จิตใ จ, จมันจับจดจําไว้หมดนะเหมือนสมัยนี้เดี๋ยวนี้มีกล้องทั่วทั่วทุ่วมุมเมืองไปไหนนี่มีกล้องเขาจดบันทึกไว้หมดเวลามีเหตุการณ์อะไรมีฆาตกรรมมีการลักขโมยแถวไหนนี่เขาจะไปดูค้นหาดูในกล้องนี่แหละ หรือว่ามิใครบ้างที่ผ่านมนาแถวนี้กำลังทำอะไรกันเขาจะรู้อันนี้ก็เหมือนกันเราทำบุญเราทำบุญ เ, เราทำบาปทำอะไรตั้งแต่ตื่นจนหลับนี่มันถูกบันทึกไว้ในใจเราหมดพอเวลานอนหลับมันก็เอามาเปิดให้เราดู <c oughs> นี่แหละคือตัวอย่างของบุญหรือบาปเวลานอนหลับสันดี ก็เหมือนขึ้นสวรรค์มีความสุข เ, เวลานอนหลับเราฝันร้ายก็เหมือนตกนรก น, นี่แหละเวลาที่จิตไม่มีร่างกายมันอยู่มันจะอยู่กับความฝันบุญกับบาปที่ทำไว้มันก็เป็นความฝันที่จะมาโผล่มาให้เราได้เสพแทนตอนที่เรามีร่างกายตอนที่เรามีร่างกายตอนที่เราตื่นเราก็อาศัยรูปเสียงกลิ่นรสผ่านทาง ตาหูจมูกลิ้นกายมาเสพมาให้ความสุขกับเราแต่พอเวลาเราตายไปหรือเวลาเรานอนหลับเราก็อาศัยสิ่งที่เราทํากันนะตอนที่เราตอนที่เราไม่ได้ตายตอนที่เราไม่ได้หลับเนี่ยมันก็เอามาใช้ให้เราดูนทําบาปก็มีแต่เรื่องไม่ดีให้เราดูทําบุญก็มีแต่เรื่องดีๆให้เราดูน นี่แหละคือบุญและบาปที่มีผลกระทบต่อจิตใจของพวกเราแล้วมันจะฉายยาวเลยเพราะว่าเราทาไว้เยอ ะ, อะกว่าจะหมดนี่เป็นหลายสิบหลายหมื่นปีพันปีเนี่ยถึงจะได้มามามีโอกาสมารอรับร่างกายอันใหม่มาเกิดใหม่อีท่ทีนี่เช้าวันก็นอนหลับยาวฝันดีฝันร้ายไปแล้วแต่บุญหรือบาปที่เราได้กระทำเอาไว้ นี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงตัดสร้แล้ะทรงนำมามาสอนถ้าเราได้ศึกษาจริงๆเรือได้เรียนรู้จากคนที่รู้จริงๆเนะี่ยเราจะเห็นภาพชัดเจนเราจะเห็นว่าเอาละเรานี้ไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นจิตใจเรายังต้องมีผลที่จะต้องไปรับต่อไปอยิง่งขณะที่เราตอนนี้กำลังทำเหตุทำไมเราไม่ทาเหตุที่ดี ทำไมเราไปทําเหตุที่ไม่ดีทําไมเออที่เราทําเหตุที่ไม่ดีเพราะเราไม่เชื่อว่าเร า, เ, าเราจะต้องไปต่อเราจะเป็นดวงวิญญาณที่จะไปรับผลบุญผลบาปต่อ น, นั่นเองเราก็เลยอยากจะทําตามสิ่งที่เราอยากได้ซึ่งบางทีก็ต้องทําบาปกันถึงจะได้ใช่ไหมอยากได้แล้วขอก็ไม่ให้ขอไม่ให้ก็เลยต้องขอโมย นี่หรือว่าไปขอสู่ขอเขาเขาไม่ให้ก็ไปกระทําชําเราเขาแทนไปแบบพฤ่อผิดประเวณีเอีก็เพราะความอยากความอยากมันมีอำนาจดุนแรงทำให้ไม่กลัวบาปกันเพราะเวลาอยากแล้วมือไม้สั่นใจสั่น ห, หงุดหงิดํำคาใจไม่มีความสุข ต้องไปทําตามความอยากแล้วมันถึงจะได้หายหายสันหายหงุดหงิดหายลาคาญใจทุกวันนี้คนที่ทําบาป ก, กันก็เพราะอย่างเนี้ยพอเวลาเกิดความอยากขึ้นมาแล้วไม่ได้ทําตามความอยากในี่ใจมันไม่มีความสุขมีแต่ความ ห, มดหุดหงิดลาคาญใจมันก็เลยต้องไปทําบาป ก, กันนี่แหลสะสาเหตุที่ทําให้คนนี้ไม่สามารถปฏิบัติตามคําสั่งคําสอนได้ ถ้าไปมองที่ความอยากไปมองที่ร่างกายแต่ถ้าไปคิดถึงว่าผลที่จะตามมาจากการทำบาปนี้มันจะมีผลกระทบต่อจิตใจจิตใจจะต้องไปรับผลบาปต่อไปหลังจากที่ตายไปแล้วมันก็อาจจะทำให้เกิดความกลัวบาปขึ้นมาจะไม่กล้าทำบาปกันจะไม่กล้าทำอาชีพที่พระพุทธเจ้าส่งแนะนำไม่ให้ทำอาชีพที่ ที่ไม่ควรทําคืออะไรคืออาชีพที่ไปส่งเสริมให้คนอื่นทําบาปนั่นเองเช่นอาชีพขายสุรายาเมาแล้วขายสุรามันก็ทําให้คนดื่มสุราได้ง่ายเหใช่ไหมถ้าไม่มีสุราขายมันก็ไม่มันก็ไม่ได้ดื่มสุรามันก็จะไม่ได้ทําบาป เ, เราต้อง ถ้าเราไม่ขายเครื่องเครื่องกลดักสัตว์ต่างๆก็จะไม่มีการไปไปดักสัตว์ไปฆ่าสัตว์กันถ้าไม่ไปขายยาพิษเนี่ยมันก็จะไม่มีการเอาสารพิษไปทําลายชีวิตของผู้อื่นนี่คืออาชีพที่เราไม่ควรทําอาชีพที่ส่งเสริมให้มีการกระทาบาปต่างๆถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เป็นผู้กระทําบาปเองก็ตาม แต่ผลกระทบมันอาจจะกลับมาหาเราก็ได้เช่นเราขายสุรายาเมาคนไปดื่มสุราแล้วเมาขับรถเราก็ไปขับรถกลับบ้านก็จ้าเอะกันชนเราตายก็มีเออผลมันก็กลับมาหาเราได้เพราะเราไปส่งเสริมให้คนเมากันพอคนเมาแล้วก็เมาแล้วก็ขับขับแล้วก็เกิดอุบัติเหตุนะครับออ ขายสุราผลิตสุราอะไรทำนองนี้ก็เหมือนกันให้เรามองผลระยะยาวที่จะตามมาผลที่จะกระทบกลับมาหาเราแล้วเราก็จะได้ไม่ทำดีกว่าทำอาชีพที่สุดจริตดีกว่าสา ม, มาอาชีพดีกว่าถึงแม้ว่าจะไม่ได้รายได้ดี ก็ถูถ่ายมันไปชีวิตของคนเราถ้าไม่มีความอยากมากไม่ต้องมีเงินมากก็อยู่ได้อูพระสององค์เจ้านี่ไม่เห็นต้องมีเงินทองท่านก็อยู่ได้หอยมีมีข้าวกินวันระมื้อก็พอแล้วแต่รักษาศีลได้สบายมีสัมมาชีพไม่ไปสร้างความเสียหายเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่น ท่านมองไปอนาคตอันไกลเวลาตายไปแล้วชีวิตของพวกเราสั้นเดี๋ยวเดียวก็จบแล้วแล้วความสุขต่างๆที่เราได้จากการทําตามความอยากได้มาปุ๊บมันก็หมดไปแล้วไปเที่ยวปั๊บกลับมามันก็หายไปหมดแล้วหมดเงินไปเป็นหมื่นเป็นแสนมันก็หมดไปแล้วเงินทองที่ไปขโมยไปโกงมาเที่ยวมันผลมันยังไม่หมดนะไปเที่ยวความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวมันหมดแล้ว แต่เงินที่เราได้มาจากการช่อโกงนี่มันไม่หมดนะมันติดไปกับใจของเรามันจะไปตอบสนองตอนที่ใจเราไม่มีร่างกายมันจะทำให้ร่างใจของเราเป็นเปรตขึ้นมาได้นะมีความหิวความอยากได้เงินทองได้ข้าวของได้สิ่งนั้นสิ่งนีนะ้นี่คือสิ่งที่เรามองไม่เห็นกันถ้าเห็นแล้วเราจะไม่กล้าทำบาป ก, กันนะเพราะถ้าเรามองถ้าเรา เห็นเรื่องจิตใจหรือเชื่อเรื่องจิตใจว่าจะต้องไปรับผลต่อไปความสุขที่เราได้ชั่วครั้งโชคคราวเดียวเดียวมันไม่คุ้มกับผลที่เราจะต้องไปรับต่อไปถ้าเราหาความสุขด้วยวิธีทาบาปต่างๆหาเงินหาทองหาความสุขด้วยการทำบาปนี่มันมีโทษติดมา ถ้าอยากจะหาความสุขก็หาแบบที่ไม่ต้องมีโทษติดมาดีกว่าอนี่คือสิ่งที่พวกเราจะต้องศึกษากันจะต้องทำความเข้าใจจะต้องเห็นภาพของจิตใจของพวกเราให้ได้ถ้าเราเห็นภาพของจิตใจเราว่าเป็นผู้ที่มาใช้ร่างกายมาทำบุญทำบาปมาหาความสุขอะไรต่างๆเหล่านี้ นรเดี๋ยวต้องไปรับผลบุญผลบาปที่ทำไว้สู้หาสู้หาความสุขแบบที่ไม่ต้องทําบาปดีกว่าความสุขที่ไม่ต้องทําบาปก็คือความสุขที่พระเจ้าสอนให้เรามาทํากันคือมาฝึกใจให้สงบนี่เองหาความสุขแบบที่ไม่ต้องทําบาปไม่ต้องมีมิจฉาอาชีพไม่มีโทษไม่มีพิษไม่มีภัยอะไรต่างๆตามมา ไม่เหมือนกับการหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่บางครั้งเราก็ต้องไปทำบาปเราถึงจะได้มากันอย่าหาความสุขแบบนั้นถ้ายังต้องการหาความสุขจากสิ่งต่างๆก็หาตามอัตภาพของเราอย่าไปหาโดยวิธีทำบาปอย่างน้อยก็ไม่มีโทษแต่ถ้ามาหาความสุขแบบวิธีที่พระเจ้าสอนให้ทำได้อั น, นี้จะดีกว่า าะจะสามารถหาได้ไปเรื่อยๆวิธีหาความสุขผ่านทางร่างกายเดี๋ยวพอร่างกายแก่หรือเจ็บหรือไม่สบายนี้ก็จะหาไม่ได้จะทุกข์ต่อไปให้มาหัดมาหาความสุขแบบที่ไม่ต้องใช้ร่างกายดีกว่าถ้าหาความสุขแบบไม่ใช้ร่างกายได้บาปก็ไม่ต้องทำอาชีพมิจฉาอาชีพก็ไม่ต้องทำ ผลที่จะต้องไปเกิดจากการทำบาปก็ไม่มีตามมาก็คือมาหาความสุขจากการมาทำใจให้สงบมาหัดนั่งสมาธิกันมาฝึกสติควบคุมความคิดกันเพราะความคิดนี้เป็นตัวที่ขวางความสุขที่เกิดขึ้นในใจนี่เองเราทีนี้ตั้งแต่เกิดมานี้ไม่เคยหยุดคิดเลยใช่คิดมันอยู่เรื่อย เลยไม่เคยเจอความสุขที่มีอยู่ในตัวเราถ้าเราหยุดความคิดได้แม้แต่ชั่ววับเดียวเนี่ยความสุขนี้จะโผล่ขึ้นมาให้เราได้สัมผสัสรับรู้ทันทีว่าโอ้เป็นความสุขที่วิเศษที่ไม่มีความสุขอันใดในโลกนี้สามารถเปรียบเทียบได้อันนี้แหละคือวิธีหาความสุขที่เราควรจะศึกษาและพยายามทากัน คือการหาความสุขจากการทำใจให้สงบถ้าเราทำใจให้สงบได้เราจะมีความสุขแล้วเราก็สามารถเลิกหาความสุขผ่านทางร่างกายได้ไม่ต้องใช้ร่างกายพาเราไปเที่ยวพาเราไปทำอะไรต่างๆไม่ต้องแต่งเนื้อแต่งตัวให้กับร่างกายให้มันเสียเวลาเวลาหาความสุขทางใจนี้เพียงแต่นั่งหลับตาแล้วคอยควบคุมความคิด ให้มันหยุดคิดให้ได้เท่านั้นพอมันหยุดคิดปั๊บใจก็เกิดความสุขขึ้นมาแล้วพอทำได้ต่อไปก็จะทำได้ไปเรื่อยๆเหมือนว่ายน้ำเนี่ยตอนต้นว่ายน้ำไม่ได้ก็ว่ายก็ไม่กล้าว่ายกันเดี๋ยวจมน้ำกันแต่พอหัดว่ายน้าได้แล้วทีนี้สบายจะไปไว่ายที่ไหนเมื่อไหร่ก็ว่ายได้อันนี้ก็เหมือนกันเวลาเราทำ ฝึกสตินั่งสมาธิได้ทําใจให้สงบได้ต่อไปเวลาเราอยากจะมีความสุขแล้วก็นั่งสมาธิท่านั้นเองก็มีความสุขเวลาเรามีความทุกข์ใจเราต้องการดับความทุกข์ใจเราก็ไปนั่งสมาธิเท่านั้นเองดีกว่าดับความทุกข์ใจด้วยการไปด่าคนนั้นไปตีคนนี้ไปฆ่าคนนั้นคนนี้บางทีเราทุกข์ใจด้วยความอาฆาตพยาบาทเขาทําเราแล้วเราก็ต้องอยากจะทํา เอาคืนองมันก็ทุกข์ใจขึ้นมากินไม่ได้นอนไม่หลับจะหาวิธีฆ่าเขาอย่างไงวิธีจะล้างแค้นอย่างไรเสียเวลาเปล่าๆทาไปแล้วก็เป็นเวรเป็นกรรมกันอีกนสู้ไปนั่งสมาธิดีกว่าพอโกรธใครเกลียดใครอาฆาตพยาบาทใครก็ไปนั่งสมาธิทําใจให้สงบพอใจสงบหายโกรธหายเกลียดหายอาฆาตพยาบาทแล้วก็มีความสุข อ น, นี่แหละคือวิธีการหาความสุขที่ถูกต้องที่พระพุทธเจ้าเป็นผู้ส่งค้นพบแล้วนำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่พวกเราสิ่งที่ว่าเราต้องเชื่อก็คือเชื่อว่าพระพุทธเจ้านี้รู้จริงเห็นจริงแล้วความสุขที่สอนให้เราหานี้พระพุทธเจ้าก็ได้ทรงค้นพบแล้วละรู้ว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับพวกเราทุกคนถ้าเราเชื่อแล้วต่อไปเราก็จะได้ ไม่ต้องมาทุกข์กับเรื่องราวต่างๆที่เรากำลังทุกกันอยู่ในปัจจุบันนี่เราทุกข์กับร่างกายทุกข์กับความอยากใช่ไหมอยากได้นูน่นอยากได้นี่พอไม่ได้ก็ทุกข์พอร่างกายเป็นนูน่นเป็นนี่ก้นมาก็ทุกข์แต่ถ้าเรามาฝึกทําใจให้สงบได้ต่อไปเราจะไม่มีความทุกข์กับเรื่องราวต่างๆเราจะมีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียว ก็ขอให้ท่านจงนำเอาไปพินิพิจารณาและปฏิบัติการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจะขออนุมโมทนาให้ผ่อนอยาถาวาเลวาหาปูราปาิโปเรนติสาขลัง เอวเมวะอิโตทุนังเปตานังอุปการปฏิยุทธิตังปฏิตังตมหังคิปเมวาสมิจจโตสัพเพโปรเณตุสังกปา จันโทปนะราโสยถามะนีจดีราโสยถาสัพพิติโยวิวาจันโุสัพพรุโควินัสตุ มาเตภวะตวันตรายูสุขีทีกายุโกภวะพิวัฒนสีลิตสานิจังวุทาปจายโนจตารโรธรรมวาทานติอายุวันโสุขังภาลัุ วันนี้เข้ามาเท่าไหร่วันนี้ทาง a ฟ e b o o k เข้ามาสองร้อยหกสิบสองยหนึ่งร้อยห้าสิบวิทยุออนไลน์ยี่สิบสามรับฟังข้างบนนี้สามสิบเอ็ดคนรวมทั้งหมดสี่ร้อยหกสิบหกครับโอเคอ่าตอนนี้ก็เป็นช่วมถามคำถามกันใครฟังแล้วไม่เข้าใจหรืออยากยูเรื่องอะไรที่ยังไม่รู้ ก็เชิญถามได้ในช่วงนี้ถ้าอยากจะถามก็ยกมือขึ้นยกมือขึ้นเดี๋ยวจะเอาไมโครโฟนไปให้ น, นี่อยากจะถามภาษาไทยใช่ไมาาภาษาอังกฤษก็ได้นะ <laughs> เอไมได้ถ <laughs> ึงสามกราบ น, นมาส ก, การเจ้าค่ะหลวงพ่อท่านจุคุณเจ้าค่ะอยากถามว่าหนู นอนไม่ฝันเลยมันเป็นบาปหรือเป็นบุญอะหนูไม่เคยฝันเลยอ่ะอ๋อไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปเไอถ้าฝันฝันแต่บางทีเราจําไม่ได้บางทีฝันปุ๊บตื่นขึ้นมาก็ลืมเลยก็มีนั่นแหละไม่ไม่ฝันไม่เออคำว่าไม่ฝันนี่มันเป็นไปไม่ได้เพียงแต่ฝันแล้วมันอาจจะจําไม่ได้เจ้าค่ะพอตื่นขึ้นมามันก็หายวับไปแล้วเอ่ แล้ไม่ต้องไปกังวลเจ้าค่ะเลยได้ฟังบอกว่าเอ๊ะทำไมไม่ฝันนั่นมัางจะได้เป็นบุญว่าจะทําบุญน้อยไปมั้งทำมากเจ้ค่ะคนไม่ไม่ฝันก็อาจจะบุญก็ไม่ได้ทำบาปก็ไม่ได้ทํามันก็เลยไม่มีอใส่บาตเลี้ยงเด็กทุกไปเนี่ยแล้วอยากถามอย่างหนึ่งว่าหนูเป็นเจ้าภาพกรถิ่นมาเนี่ยปีที่สามแล้วนะวเขาให้เป็นมูคณะบอกว่าให้ทอด แต่หนูเป็นเจะผ้าผ้าแต่หนูไม่หวงผ้าแล้วแต่ใครอยทอดหนูก็ถือแหนแล้วก็ทอดด้วยกันอย่างนี้หนูจะได้บุญไหมเขาถามว่าพี่พี่จะได้บุญได้บุญวัดกันที่เงินที่เราบริจาคไปไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ที่ใครไปจับผ้าแล้วไม่จับผ้าอยู่ที่เงินที่เราบริจาคสองแสนสามแสนแล้วก็ได้ได้ทำเท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นวัดที่บุญไม่ได้วัดที่ผ้าค่ะาค่ะ เราทำสองแสนคนอื่นเข้ามาร่วมอีกสองแสนเราก็ได้แค่สองแสนเจ้าค่ะถึงแม้ว่าจะยอดเป็นสี่แสนเราก็ไม่ได้สี่แสนเจ้าค่ะเข้าใจไหมได้ถ้าเป็นล้านได้ล้านแปดเมื่อทีแล้วกับเราก็นัและเราก็ถ้าเราไม่ได้เป็นของเราเราก็ไม่ได้เราก็ได้เท่าที่ลงไปใช่ไหมที่เราลงของเราไปจะได้เข้าใจบอกเพื่อนเจ้าค่ะวัดด้วยที่วิญญาณที่เราเสียสละไปเสียสละไปนั่นแหละหรือของที่เราเสียสละไปถ้าไม่เป็นเงินก็เป็นของก็ได้ เป็นกําลังเป็นแรงงานก็ได้บางทีไม่มีงานก็ไม่มีเงินก็ไปช่วยก็แบกของอก็ได้บุญเหมือนกันไปบแบกของที่จะถวายพระไปช่วยจัดอของอะไรก็ได้บุญเหมือนกันเจ้าค่ะจะนําคําสอนนี้ไปพูดให้เพื่อนๆฟังเจ้าค่ะสาธุมีใครอยากจะถามไหมอ่ะเดี๋ยวส่งมาทางนี้หน่อยนะี เขากลาพยนพระอาจารย์ถามเรื่องช่วยพูดไกลๆปากนะขาก า, า, กาพยนถามพระอาจารย์เรื่องการทําบุญนะครับเพราะยังความสับสนอยู่ว่าการทําบุญมากหรือน้อยเนี่ยเช่นการทําบุญด้วยเงินเยอะๆเจะได้บุญมากการทําบุญด้วยเงินน้อยก็จะได้บุญน้อยเป็นจริงอย่างนั้นหรือไม่ยอย่ง น, นั้นก็มีส่วนอยนั้นก็ทําน้อยๆก็พอเลยได้บุญเท่ากันนั้นคนทําล้านกับคนสิบบาทก็ได้บุญเท่ากันอย่างนี้นนน ก, นก็ ก็ทําแค่สิบบาทก็พอเหมือนอย่างถ้าสมมติถ้าเศรษฐีทําบุญหนึ่งล้านเนี่ย<ม>เป็นเงินเล็กน้อยสำหรับเขาแต่ถ้าเกิดคนที่เไม่ค่อยมีฐานะทําบุญหนึ่งหมื่นบาทก็<ม>เป็น เ, เป็นเงินมากมายมหาศาลของเขาเนี่ยคือเรา<ม>ต้อง<ม><ม>ดูว่ามันมีสองมิติในการทําบุญด้วยเงินทองมิติอันแรกก็คือจํานวนเงินทองแต่ละคนที่ทำํำเราไม่ได้วัดด้วยด้วยด้ว ย, ด, วยด้วยปริมาณของเงิน เราต้องวัดที่สัดส่วนของทรัพย์ที่เขามีเช่นคนมีล้านหนึ่งทําแสนหนึ่งก็เท่ากับเขาได้ทําร้อยละสิบของทรัพย์สินของเขาส่วนคนมีร้อยหนึ่งแล้วทำสิบบาทเขาก็มีเขาก็ได้ทําร้อยละสิบเหมือนกันความอิ่มใจของคนสองคนนี้เท่ากันเปรียบเทียบเหมือนช้างกินข้าวต้องกินซักถังหนึ่ง แต่หนูนี่กินเพียงช้อนเดียวก็อิ่มเหมือนกันบุญนี้เป็นเหมือนอาหารใจให้ความอิ่มใจสุขใจต่อผู้ที่ทำเพราะฉะนั้นคนที่ทําแสนหนึ่งกับคนที่ทำสิบบาทในกรณีที่พูดนี้ได้บุญคือความอิ่มใจสุขใจเท่ากันแต่บารามีที่ได้จากเงินที่ทํานี้ต่างกันคือผลตอบแทนที่จะได้กลับมาในอนาคต คนทำแสนก็จะได้แสนบวกดอกเบีย้ยกลับมาคนทำสิบบาทก็จะได้สิบบาทบวกดอกเบีย้ยกลับมาเวลากลับมาเกิดใหม่มาเป็นมนุษย์ใหม่เนี่ยมันมีสองกรณีด้วยกันอ่าใจไหมอีกคาถามนะครับอาจารย์การทำสมาธิวิปัสนาพูดดังๆการทำสาสมาธิวิปัสนาเนี่ยทำให้เกิดบุญ ใช่เหมือนกับคืนอันนี้ก็เป็นบุญอีกแบบหนึ่งความสุขใจอีกแบบหนึ่งที่ละเอียดกว่าที่การทําบุญด้วยการบริจาคเงินไม่สามารถทําให้ได้ก็เปรียบเหมือนกับอาหารที่มีหลายชนิดด้วยกันอาหารบางอย่างก็ให้ความอิ่มแบบหนึ่งอาหารอีกอย่างหนึ่งก็ให้ความอิ่มอีกแบบหนึ่งก็ <Yeah. S 2> แล้วแต่ว่าเราจะทําได้หรือไม่ได้เพราะว่าการทําสมาธินี้ ยากกว่าการทำบุญด้วยการบริจาคเงินทองแต่ถ้าเรามีความพยายามก็ทำได้แต่ต้องมาบวชอย่างเงี้ยถึงจะทำได้แต่ถ้าคุณยังไม่สามารถบวชได้คุณก็จะไม่สามารถเข้าสู่บุญในระดับนั้นได้เพราะว่าไม่ใช่เพียงแต่นั่งสมาธิขึ้นชั่วโมงชั่วโมงแล้วจะได้ผลทันทีมันไม่ใช่ บางทีต้องนั่งทั้งวันทั้งคืนหลายปีด้วยกันกว่าจะเจ้าเอกกับรรจักครั้งหนึ่งอันนี้มันยากแต่มันมีคุณค่ามีน้ำหนักมีความสุขมากกว่าบุญที่เราจะได้รับจากการทำบุญทำทานเนี่ย การทำบุญทาทานมันมีสามระดับด้วยกันบุญที่เกิดจากการเสียสละข้าวของเงินทองนี่ระดับต่าสุดระดับสูงขึ้นมาก็คือบุญที่เกิดจากการรักษาศีลการรักษาศีลนี่ก็เป็นบุญเพราะจะทำให้ใจเราไม่มีความทุกข์เวลาเราทำบาปนี่ใจเราจะร้อนจะไม่สบายจะวิตกกังวลอะไรต่างๆพอเราไม่ทาบุญใจเราก็เย็นสบายเจอตารวจก็ไม่รู้สึกกลัวอะไร ถ้าทำบาปทำผิดกฎหมายนี่เจอเห็นหน้าตำรวจกรั้งทั้งที่เขาไม่ได้มาจับเราเราก็ไม่สบายใจขึ้นมาแล้วอันนี้ระดับที่สองระดับที่สามก็คือเบิร์ที่เกิดจากการนั่งสมาธิวิปัสสนาเนี่ยอันนี้ยากถ้าเป็นเป็นเป็นการตีกอฟก็ต้องเป็นแบบมืออาชีพถึงจะได้แข่งเข้าแข่งขันริงรางวัลได้มัน เป็นสิ่งที่เราต้องทุ่มเทไม่ใช่จะทําเฉพาะเป็นครั้งเป็นคราวการทําเป็นครั้งเป็นคราวนี่เป็นเพียงการเริ่มต้นเป็นการฝึกหัดแต่พอจะเอาจริงๆนี่มันต้องทําแบบมืออาชีพคือทําตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับนั่นนะถึงจะได้ผลนะเอาใจนะอมีใครอยากจะทำอีกไหม ไม่มีก้าวทางบ้านก่อนก็แล้วกันคำถามจากคุณศิริชัยเมื่อเรารู้ว่าร่างกายต้องเสื่อมเป็นธรรมดาแต่ถ้าเราเป็นโรคเรื้อรังเช่นเบาหวานไตวายเมื่อรู้แบบนี้เราควรจะรักษาหรือไม่ครับเพราะสุดท้ายก็เสื่อมก็ตายอยู่ดีครับก็ได้ทั้งสองอย่างะอยู่ที่เราเราเป็นเจ้าของเหมือนเจ้าของรถเนี่ย รตมันเสียเราจะซ่อมมันก็ได้ไม่ซ่อมมันก็ได้อยู่ที่ว่าเรามีความจำเป็นที่ยังจะต้องใช้มันอยู่หรือเปล่าแต่โดยธรรมดาคนที่ยังมีกิเลสยังไงมันก็ต้องรักษากันดังนั้นเพราะยังไงยังไงก็ยังอยากจะใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขอยู่แต่ถ้าไม่รักษาก็ไม่บาปเช่นปล่อยให้มันตายไป กินอยู่ไปตามธรรมดาแต่ไม่ไปรักษาเพราะไม่อยากจะไปวุ่นวายกับการรักษาออก็ครูบาอาจารย์พระบางรูปท่านก็ไม่รักษาท่านก็รักษาตามอัตภาพไปไม่ไปโรงพยาบาลก็หายาสมุนไพรอะไรกินไปอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็ไปท่านไม่เดือดร้อนกับมันท่านไม่ได้มีความทุกข์อะไรกับมัน อ, อ, อันนี้ก็อยู่ที่เราเราเราเป็นเหมือนเจ้าของ ร่างกายเป็นเหมือนรถยนต์ที่เราเอามาใช้เราจะซ่อมก็ได้ไม่ซ่อมก็ได้บางครั้งขี้เกียจซ่อมเมื่อเดี๋ยวรอไปซื้อรถใหม่ดีกว่าน้อยให้มันรถนี้พังไปมันพังเร็วเราจะได้ไปรถใหม่ได้แล้วรถใหม่เร็วขึ้นถ้ามันยังไปซ่อมมันก็ยังต้องใช้รถเก่าไปเรื่อยๆอยู่ก็ปล่อยให้มันพังไปพอมันพังไปใช้ไม่ได้ก็ต้องไปซื้อรถใหม่ไปหารถใหม่ใช้ต่อไปไปได้ร่างกายอันใหม่ไปเกิดใหม่ คำถามต่อไปจากคุณก้องครับเพราะมีเราจึงมีโลกนี้หรือเพราะมีโลกนี้จึงมีเราครับเพราะมีร่างกายมันไม่ใช่มีเราหรือไม่มีเรามันท่ามีร่างกายมันต้องมีโลกที่ตั้งของโลกก็คือร่างกายนี้ถ้าไม่มีร่างกายจะมีโลรคไ้ยมีโลกที่คนตายไม่ไปดูเนี่ คนตายนี่ไม่มีโรคไงไม่ต้องรักษาไม่ต้องผ่าตัดไม่ต้องใช้แสงไม่ต้องทำาคีโมไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นถ้ายังมีร่างกายอยู่ยังหายใจได้อยู่ก็ยังมีโรคอยู่มันไม่ใช่ว่าเราหรือไม่เราความจริงไม่มีเราหรอกในร่างกายมันเป็นดินน้ำลงไฟเป็นเหมือนน้นยนคันหนึ่งเราคนขับไปไปไ ป, ไปตู่ไปเรียกวันว่าเป็นเราทนั้นเอง พอเรามองไม่เห็นตัวเราเราก็เลยไปคิดว่าเราเป็นร่างกายแล้วก็ไปตูเรียกว่ามันเป็นเราขึ้นมาแต่ไปเรียกมันว่ายังไงมันก็ไม่ไปเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงความจริงของมันนะความจริงของมันก็คือมันก็เป็นแค่ดินน้ําลมไฟมันเป็นแค่อาการ32ผมขนเล็บฟันที่ต้องเกิดแก่เจ็บตายไปเท่านั้นเองอย่าไปตูไปว่ามันเป็นเราหรือไม่เป็นเรามันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงความจริงที่ให้เรามา เห็นความจริงว่ามันไม่ได้เป็นเราเราจะได้ไม่ต้องไปทุกข์กับมันเข้าใจไหมที่เราทุกข์ก็เพราะเราไปถือว่ามันเป็นเราร่างกายคนอื่นเราทุกข์ไหมไม่เห็นทุกข์ใช่ไหมเพราะเราไม่ไปถือว่าเป็นเราะแต่ถ้าอะไรเป็นของเราก็ทุกข์ได้ใช่ไหมถ้าเป็นของสามีเป็นของภรรยาก็ทุกข์ไปกับเขาได้แต่ถ้าไม่ใช่เป็นของเราหรือเป็นเรามันเราไม่ทุกข์หรอกให้มาสอนให้เราอย่าไปตู่ว่าเป็นเราหรือเป็นของเราแล้วเราจะได้สบายใจ ร่างกายคนอื่นตายก็ก็เป็นร่างกายเหมือนกันทุกคนจะเป็นของพ่อของแม่ของสามีของภรรยาของลูกมันก็เป็นร่างกายดินน้ำลมไฟเหมือนกันถ้าไม่เป็นเราเป็นของเราแล้วไม่ทุกข์ที่ทุกข์ก็ว่าไปเป็นเราเป็นของเราเพราะว่าเวลาเป็นเราเป็นของเราก็อยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนั่นเอง ก็หลยทุกเพราะมันเป็นไปไม่ได้ทุกอย่างต้องแก่ต้องทุกคนต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายกันอย่างที่ให้มาสอนให้เรามองว่ามองความจริงความจริงร่างกายนี้ไม่มีเป็นของไขนะ่ะเป็นของดินน้ําลมไฟเดี๋ยวดินน้ําลมไฟเขาก็จะมาเคลมขอเอาคืนไปน้ําเขาก็จะเอาส่วนน้ําไปดินเขาก็จะเอาส่วนดินไปลมเขาก็เอาส่วนของลมไปไฟเขาก็เอาของส่วนไฟไปอืม นี่คือความจริงที่เราต้องมาศึกษากันถ้าเราไม่อยากจะต้องมาทุกกับร่างกายอย่างที่เราทุกกันอยู่ทุกวันนี้ต่อไปคำถามจากคุณสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงสินแปดกับเนคขมมะ แตกต่างกันอย่างไรครับตัวเดียวกันเนี่ยเนคขมมาก็คือการละเวน้นการหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสนี่สินแปดก็ศิอีกสามข้อที่เพิ่มมาก็เป็นเนคข ม, มสินห้าก็เป็นละการไม่ทําบาปพอมาเพิ่มเป็นสินแปดก็เพิ่มตัวเนคขมมาเข้ามาเนคขมมาก็คือไม่หาความสุขจากร่างกายนั่นเองไม่ร่วมหลับนอนกับแฟนนะสินข้อสามก็เปลี่ยนจาก ไม่ประพฤติผิดประเวณีมาเป็นไม่ร่วมหลับนอนกันเลยแล้วก็ไม่มาหาความสุขจากการกินมากเกนเกินไปกินพอให้ร่างกายอยู่ได้ก็พอไม่ใช่กินแบบอยากกินเมื่อไหร่ก็กินไม่หาความสุขจากการดูหนังฟังเพลงร้องนาทําเพลงแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าทาปากอะไรทํานองนี้ไม่หาความสุขจากการนอนบนเตียงใหญ่ๆฟูกหนาๆ อันนี้เป็นเนคขมะเพื่อที่จะได้เอาเวลาหาความสุขจากพวกนี้มาหาความสุขจากการทําใจให้สงบเนี่ยถึงบอกว่าการนั่งสมาธิการฝึกสมาธิมันไม่ง่ายแต่ผลตอบแทนมันเยอะมันมากมันความสุขมากแต่ต้องลงทุนมากใช่ไหมคุณเป็นนักธุรกิจคุณก็รู้ถ้าลงทุนน้อยผลตอบแทนมันก็น้อยถ้าลงทุนมากผลตอบแทนมันก็มาก นอกจากแทงหวยเท่า น, นั้นนะอาจจะลงทุนน้อยแต่ผลตอบแทนมากแต่มันก็ยากอย่าีมีใครจะถูกออตะรีรางวัลที่หนึ่งกันบ้างนี้ดีไม่ไดีขาดทุนลงทุนแบบขาดทุนไม่ได้ลงทุนแบบกาไ ร, รนะคำถามต่อไปจากคุณพิมพรการซื้อหรือการประมูลสินค้าเพื่อการกุศล จะได้บุญหรือไม่เจ้าค้าถ้าเราประมูลมาแล้วเราเอาไปบบิกจากเราไม่ได้เอาของที่เราประมูลก็แสดงว่าเราก็เบิจากทรัพย์ไปเท่านั้นเอง mm hmm. ก็เหมือนทำบุญเบิกจากทรัพย์ไปเพียง mm hmm. แต่ว่าเขามีกระบวนการล่อใจคนให้มาทำบุญให้มีแต่ถ้าเอาสินค้ามาด้วยเอาของที่เราประมูลได้มาด้วยมันก็ยังไม่ถือว่าได้ทำบุญ mm hmm. เพราะเราได้ของมานก็เหมือนกลับไปไป ไปไปประมูลของที่ไหนถ้าเรายังเอาของมาอยู่เราก็ยังเหมือนกับไปซื้อของแต่ถ้าไรายได้ที่คนที่เจ้าของภาพที่เขาให้ประมูลนี้เขาไปบริจาคคนนั้นนะ่ะเขาได้บุญไม่ใช่เรา <laughs> เจ้าของคนที่เป็น เจ้าของสินค้าชิ้นนั้นแล้วเขาเขาให้มาประมูลแล้วพอเขาได้หลายหลายรับจากเงินที่ประมูลเขาไม่เก็บเงินนั้นไว้เขาไปบรยจาคเป็นการกุศลอันนั้นอนะ่ะเขาก็จะได้บุญแต่คนที่ไปไปประมูลซื้อมานี้ไม่ได้บุญเพราะได้ของเข้ามาถ้าอยากจะได้บุญก็เอาไปประมูลต่อแล้วเอาไปขายต่อแล้วก็เอาเงินที่ได้มาไปทําบุญต่อถึงจะได้บุญเข้าใจไหม เดี๋ยวคนคิดว่าโอ๊ยคนที่ไปร่วมประมูลได้บุญกันทุกคนไม่ได้หรอกได้คนเดียวคือเจ้าของเจ้าของภาพหรือเจ้าของของนั้นนะแต่ถ้าเขาประมูลเสร็จแล้วเขาก็เก็บไว้เอาเงินเก็บไว้ใช้เองเขาก็ไม่ได้บุญเหมือนกันคำถามจากคุณบิก๊กเวลาทําบุญแล้วอุทิศบุญให้แม่แม่จะได้รับบุญหรือเปล่าคะก็อยู่ที่ว่าแม่รอรับอยู่หรือเปล่า เพราะว่าแม่ท่านอาจจะมีฐานะดีท่านไ ม, ไม่เป็นขอทานท่านก็ไม่ต้องมารอรับบุญถ้าตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่ท่านทําทําบุญอย่างสม่ําเสมอฝากเงินเข้าธนาคารทุกวันทุกวันพอเวลาตายไปก็ไปเบิกเงินในธนาคารของท่านได้ธนาคารบุญแต่ถ้าอยู่ไม่ได้ทําบุญเลยพอตายไปไม่มีเงินอยู่ในธนาคารเลยก็ต้องมารอรับบุญมาเป็นขอทาน คำถามต่อไปจากคุณประสบสุขการฟังธรรมพระอาจารย์ทุกครั้งได้เดินทำสมาธิและนั่งสมาธิด้วยค่ะอย่างนี้จะถือว่าเราได้สะสมสเบียงบุญหรือไม่เจ้าคะได้หัดทำสมาธิยังเป็นการฝึกหัดทำสมาธิไปเรื่อยๆแล้วต่อไปเรามีเวลาว่างเราก็จะได้นั่งเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆ เลาเียกว่าสะสมก็ได้แต่ยังเป็นขั้นตอนของการฝึกฝนอบรมก่อนผลอาจจะได้บ้างนิดๆหน่อยๆจากการฟังธทมเพราะว่าถ้าได้ผลดีจริงๆมันก็อยากอยากทมากขึ้นไปเองถ้านั่งแล้วยังไม่ได้ผลดีมันก็จะไม่มีความอยากจะทําเพิ่มมากขึ้นคำถามต่อไปจากคุณกุ้งเดินจงกรม ผ่านจุดที่ตัวเราเบาจนต้องเหมือนวิ่งแทนช่วงนั้นไม่เหนื่อยเลยเจ้าค่ะจากนั้นก็ค่อยๆเหนื่อยขึ้นแล้วเดินต่อจนตัวเริ่มเบาอีกบางครั้งถึงกับน้ำตาไหลมาถึงขั้นนี้เราควรทำอย่างไรหรือพิจารณาอย่างไรเพื่อให้การปฏิบัติพัฒนาขึ้นเจ้าค่ะ ก็เมื่อเดินจนเมื่อยจนเดินไม่ไหวก็กลับมานั่งต่อสแสดงว่ามีสติมากขึ้นถ้านั่งแล้วจิตจะสงบได้มากกว่าตอนเดินถ้าอยากจะให้จิตสงบมากกว่าพอเราเดินจนผ่านขั้นนั้นได้แล้วตัวเบาสบายไม่เหนื่อยถ้ายัางเดินได้ก็เดินต่อไปแล้วพยายามรักษาความรู้สึกที่เบาที่สบายนั้นด้วยการมีสตินี่แหละ สติเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้ใจเราเบาทำให้ใจเราไม่เหนื่อยเราก็ต้องพยายามรักษาสติต่อไปมันก็จะเบามันก็จะไม่เหนื่อยมันก็จะเดินได้เรื่อยๆถ้ายังเดินได้ก็เดินไปพรามันเป็นการเสริมสติและเพแก้ปัญหาความง่วงนอนได้พอเราเดินไม่ไหวแล้วเมื่อยจริ ง, รงๆก็เราค่อยมานั่งต่อนั่งหลับตาแล้วก็ใช้สติจเจริญสติต่อ แล้วจิตจะสงบได้มากกว่าตอนที่เดินแล้วจะสงบได้เร็วด้วยคำถามต่อไปจากคุณอู๋อยากทราบถึงอานิสงส์ของการรักษาสิ้นแปดครับอานิสงส์ของสิลนแปดก็คือทำให้เรามีเวลาได้มาฝึกสมาธินั่นเองได้แลทํทำให้ใจสงบ ยกระดับความสุขของใจจากระดับเทพไปขึ้นเป็นระดับพรหมความสุขของเทพนี้เบาน้อยกว่าความสุขของพรหมความสุขของพรหมนี้เกิดจากการเข้าฌานขั้นต่างๆจะเข้าฌานได้ก็ต้องมีเวลามานั่งถ้าเราเวลาไปนั่งดูละครดูหนังไปกินเลี้ยงไปเที่ยวมันก็จะไม่มีเวลามานั่งสมาธินั่นเอง นั่นก็คือประโยชน์เนื้อนิสงของการถือศีลแปดทำให้เรา ย, ยุติกิจกรรมต่างๆทางต่างทางร่างกายไปเพื่อเราจะได้มีเวลามาทํากิจกรรมทางใจคือเดินจงกรมนั่งสมาธิเพื่อจิตใจเข้าสู่ความสงบในระดับของฌานต่อไปนี่คือประโยชน์คนที่ต้องการจะเปลี่ยนความสุขจากความสุขทางร่างกายต้องถือศีลแปด ต้องยุติการหาความสุขทางร่างกายเพื่อจะได้เอาเวลาที่ไปใช้กับความสุขทางร่างกายนี้มาสร้างความสุขทางจิตใจมาเจริญสติพุทโธพุทโธคอยควบคุมความคิดหยุดความคิดโดยทุกขณะเวลาที่เราตื่นเลยไม่ใช่แต่เฉพาะเวลาเรานั่งเท่านั้นควรจะควบคุมจิตใจควบคุมความคิดตลอดเวลา พอลืมตาขึ้นมาก็พุโทโธพุธโทโธไปหรือเฝ้าดูว่าตอนนี้ร่างกายกำลังทำอะไรอยู่ก็อยู่กับร่างกายไปอย่าปล่ยให้ไปคิดอดีตคิดอนาคตให้อยู่กับปัจจุบันไปให้รู้เฉยๆรู้ว่ากำลังล้างหน้ารู้ว่ากำลังแปรงฟันรู้ว่ากำลังหวีผมเลยแล้วพอว่างจากภารกิจการงานถ้ายังอยากจะเดินจงกรมก็เดินไป ถ้าไม่อยากจะเดินจะนั่งก็นั่งไปถ้านั่งแล้วง่วงก็ลุกขึ้นมาเดินก่อนเนยทำอย่างนี้ไปต่อไปจิตก็จะมีสติมากขึ้นความสงบความเบาอกเบาใจสบายใจก็จะมีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆนี่คือประโยชน์ที่ได้จากการถือศีลแลนดะมีคำถามอีกไหมหมดแล้วนะมีใครอยากจะถามอีก ไ, ไหมอ่า